ก็พยายามที่จะปรับให้ผ่อนคลายระหว่างกายกับจิตนะคือในช่วงเก็บอารมณ์นี่หมายถึงยกระดับการสังเกตเข้มขึ้นยกระดับการสังเกตเข้มขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้สติสัมปชัญญะนี่มีความไวขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าไปดู ภาวะทำที่เกิดทั้งสองส่วนนะให้ให้ให้ทันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะหลายหลายวันที่เราพูดกันมาเนี่ยพอสรุปได้ว่าเรามีเป้าหมายที่จะที่จะเรียนรู้สิ่งใดเป็นหลักนะครับทั้งสองส่วนคือในส่วนกายเป้าหมายที่จะเรียนรู้คือเรื่องของเวทนาต่างๆ ไม่ว่าสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกข์ม่สุขเวทนาอันนี้เป้าหมายทางกายนะที่เราต้องการเป็นจุดสังเกตที่เราเคลียร์กันมาเรื่องต้นสามสีวันนะี้นะว่าเป้าหมายทางกายต้องการเอาตัวเพราะเวทนาที่มีประจํากายเนี่ยมันมีทุกทุๆวินาทีทีเดียว เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสบายไม่สบายให้เราเห็นได้แต่ละเวลาอันนี้คือเป้าหมายในส่วนที่เป็นเป็นรูปเรารู้ละที่เป้าหมายหลักที่เราจะต้องรู้ในส่วนนี้เนี่ยที่เป้าหมายทางนามซึ่งได้เน้นย้ำมาเมื่อวานทั้งสองวันทีเดียวคือการปรากฏขึ้นของจิตได้สานึก หรือเรียกว่าพะวังค้าจิตหรือจิตที่มันทาหน้าที่ขึ้นมาโดยที่เราไม่มีเจตนาโดยที่เราไม่ตั้งใจมันเรียกว่าพอปอัพขึ้นมานั้นเป้าหมายทางนามคือการปรากฏตัวของจิตที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อเวทนานคือเราเรียกว่าตัวจิตใด้สำนึกนี่แหละ คือตัวนี้เป็นเป็นต้นต่อเป็นที่มาของจิตระดับอื่นเป็นไม่ว่าจะเป็นจิตที่เป็นรู้สำนึกไม่ว่าจะจิตที่เป็นเจตสิกไม่ว่าจิตที่จะเป็นเจตนาหรือไม่ว่าจิตที่ทาหน้าที่เป็นตัวรู้สติสัมปญะล้วนออกมาจากตัวนี้ทั้งสิ้นเพราะว่ามันจิตตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิม นะซึ่งมันเป็นตัวเขาเรียกความรู้สึกที่เป็นดิบๆก็ว่าได้เป็น raw feeling นะ raw mind เราจะใช้คาว่า original mind ก็ก็ไม่ผิดนะที่มันขึ้นมาตอบสนองทำไมจึงมีตัวนี้ด้วยทำไมจึงมีะวางค์าจิตหรือจิตแท้สำนึกทำไมจึงมีทุนนี้เพราะมันเป็นสัญชาตยาน ในการที่จะป้องกันชีวิตนี้ให้อยู่รอดเพราะฉะนั้นสัมพสสัตว์ทุกสัมพสัตว์จะมีจะมีสํานึกตัวเนี้ยอย่าว่าแต่คนแม้แต่ยุงเนี่ยเวลามันมาเกาะเราเราจะตกมันมันก็บินหนีมันนีกเขา้ามันก็มีจิตตัวนี้สัญชาตญาณของสัตว์ทุกสัตว์เนี่ยมันจะมีอยู่สี่อย่างที่กล่าวไว้เสมอว่าสัญชาตญาณในการสแสวงหารเรื่องปากเรื่องท้องจิตตัวนี้ก็ทําหน้าเทียนนี้ สัญชาตญาณในการแสวงหาที่อยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองสัญชาตญาณในการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเองสัญชาตญาณในการหนีภัยเมื่อมีภัยเกิดขึ้นจิตที่เป็นสัญชาตญาณตรงนี้จะมีในทุกสัตว์ทุกตัวทุกตนไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนขึ้นมาเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดจะเสมอกันในสัญชาตญาณทั้งสี่นี้ เพราะฉันจิตตัวนี้กำเนิดมาจากสัญชาตญาณนะแต่ไอ้ตัวสัญชาตญาณจิตที่ทาหน้า ท, ที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันเหมือนภาวะที่ที่เป็นธรรมชาติเราจะว่ามันมืดบอดก็ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่มีปฏิกิริยาตอบสนองในอาการต้องการทั้งสี่ของสัพพสัตการเลี้ยงชีวิตการหาที่อยู่อาศัยการสืบพันธุ์การหนีภัยมันจะตอบสนองต่อสอย่างนี้ ทีนี้ถ้าหากว่าเรามันมันเหมือนคนไม่มีตาไอจิตตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมาตอบสนองเฉยๆอะไรก็ตามที่มันมากระทบเพื่อที่จะทําให้อชีวิตเนี้ยอ่าเกิดเกิดอันตรายหรือเกิดอะไรกันมันจะป้องกันตัวห้องมันเองมันมันทะลุเข้ามาป้องกันมันเกิดขึ้นมาเหมือนมีภัยเกิดขึ้นปั๊บในจิตตัวนี้จะเกิดนี้ขึ้นทันทีะโดยที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตาม แต่การทำงานของจิตตัวนี้ถ้าหากว่าเราไม่เปิดหูเปิดหูเปิดตาให้มันเนี่ยมันก็จะทำให้ตอบสนองต่อสัญชตาตญาณเช่นตอบสนองต่อสัญญาณในการหาอาหารเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนจิตที่เป็นสัญชตาตญาณตัวนี้ให้มันมีหูมีตาเนี่ย มันก็จะตกเป็นธาตุของธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอาสาธะซึ่งในในสัตว์อื่นเนี่ยสัญชตาตญาณของมันมีกําลังจํากัดเวลามันหิวมันถึงกินกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ได้สแสวงหาและสะสมต่อไปอีกมันจะตอบสนองสัญชตาตญาณของมันเท่าที่ขอบเขตที่มันมีนะแต่ว่าสัตว์ ตั้งแต่ระดับคนหรือมนุษย์ขึ้นไปเนี่ยมันไม่เพียงแต่ตอบสนองสัญชาตญาณเท่านั้นแต่มันรู้วิธีการขยายสัญชาตญาณให้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณในการแสวงหาอาหารจึงพัฒนาความโลภขึ้นมาซึ่งความโลภเนี่ยไม่มีในสัตว์ทั้งหลายไม่มีการสั่งสมแต่มีในสัตว์มนุษย์ซึ่งมนุษย์นั้นนอกจากจะมีความหิวแล้วมีความอยากด้วย สัตว์ทั้งหลายสัตว์อื่นมันไม่มีความอยากมันมีแต่ความหิวแล้วมันก็ตอบสนองเมื่อความหิวกระทบมันมันก็มีปฏิกิริยาตอบสนองพอตอบสนองแล้วก็จบมันไม่มีการขยายตัวแต่สัตว์มนุษย์นั้นนอกจากตอบสนองสัญชาตญาณแล้วมันรู้วิธีการขยายแต่การขยายตัวของสัญชาตญาณี่เองเราเรียกความอยากที่พัฒนามาเป็นโลภะและโลภะและความอยากนี้ก็ทาให้สัตว์มนุษย์มีการ สั่งสมมีการสร้างสติปัญญาในระดับสัญชาตญาณขึ้นมานะดังนั้นเองมนุษย์จะตอบสนองต่อสัญชาตญาณนี้นอย่างสูงมนุษย์ไม่ได้กินตอนเวลาหิวเท่านั้นแม้แต่ไม่หิวมนุษย์ก็กินอันนี้คือตัวต่างไปจากสัมภสัต ท, ทั้งหลายถ้าหากว่า เราไม่เปิดหูเปิดตาของสัญชาตญาณตัว น, นี้ให้มันมีขึ้นมาเนี่ยการตอบสนองต่อสัญชตาตญาณของมนุษย์นี่จะอันตรายมากเพราะนั่นทุกวันที่ที่เราเห็นอันตรายของโลกที่มันจะอยู่ไม่ได้ก็เพราะสัญชาตญาณตัว น, นี้มันทางานสูงเกินไปมนุษย์จึงมีการสแสวงหานะความโลภเมื่อความโลภแต่ทุกคนก็มีความโลภ แต่ฝ่ายใดที่มีสติปัญญาความสามารถกำลังสูงกว่าก็จะสั่งสมความโลภได้สูงกว่าสั่งสมทรัพย์สมบัติสั่งสมข้มมาวปลาอาหารสั่งสมทุกอย่างทีนี้เมื่อมนุษย์คนนั้นมีโอกาสได้สั่งสมแต่มนุษย์อีกส่วนหนึ่งที่มีความสามารถน้อยกว่ามีสติปัญญาน้อยกว่ามีโอกาสน้อยกว่าก็ขาดแคลนเพราะนั้นฝ่ายหนึ่ง ไม่มีความสามารถพอที่จะสังสมก็ขาดแคลนความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาแหวงจึงได้เกิดขึ้นการชิงชังได้เกิดขึ้นการแย่งชิงเกิดขึ้นและในที่สุดนำไปสู่สงครามอันนี้คือสันคตยานที่มันประกอบด้วยการขยายจากอำนาจเดิมของมันทีนี้เมื่อพระผู้รู้ทั้งหลายนับแต่พระพุทธเจ้าและพระปฏิโยผู้แท้ท่านเห็นอันตรายอันนี้ ซึ่งในหมู่สัมภสสัตทั้งหลายก็มีมีโพธิสัตว์นี่แหละได้เห็นอันตรายอันนี้ขึ้นมาก่อ น, นมีบุคคลที่มีโพธิสัตว์คือมีโพธิจิต ท, ที่สูงกว่าเพื่อนได้เห็นอันตรายของสิ่งนี้และพยายามปรับตัวสันเทียญา น, นี้ให้เป็นตัวปัญญายานและวิปัสสนาญาณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อจิตที่เป็นสัทวายนมันทาหน้าที่แล้วไปหยุดยั้ยงมันไม่ได้เพราะมนเป็นธรรมชาติที่สั่งสมมานานดังนั้นตัวโพธิปัญญาเนี่ยจะทาหน้าที่เปลี่ยนคือําหน้าที่เปิดหูเปิดตาของสัตทยนตัวนี้ให้เป็นป น, าานิพพานญาณซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีการพัฒนานั้นบุคคลที่เป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพุทธจิตเนี่ยก็ เห็นอันตรายในจุดนี้คือจึงได้พัฒนาพัฒนาตัวญาณปัญญาให้กับจิตตัวนี้จิตตัวที่เป็นประภัสราจิตหรือประเพนเป็นสันชัตยานจิตเนี่ยให้มีหูมีตามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดบุคคลที่สามารถเปลี่ยนสันชัตยานให้เป็นวิปัสสนาจารย์ได้หมดโดยสิ้นเชิงเราเรียกบุคคลว่าเป็นอริยบุคคล ตามลำดับตั้งแต่โซดาซินาคานาะคาขึ้นไปตามบัญญัติของพระพุทธเจา้าซึ่งที่ท่านได้รู้มาได้ตัดสู้มาัง น, นั้นเราทั้งหลายจึงได้รู้ว่าเป้าหมายที่เราจะต่อสู้มีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองถ้าเราจะพ้นจากอำ น, นาจของสัตติยานซึ่งตรงนี้มันมันจะทุุรู้เป้าหมายว่าเรากำลังสู้กับอะไรในแง่งของร่างกายเรากาลังต่อสู้กับทุกขเวทนา ในแง่ของจิตใจเราก็ต่อสู้กับการทํางานของชัติยานที่มันมีอํานาจในตัวของมันที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนตัวของมันเองให้เป็นวิปัสสนาญาณเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเราดังนั้นบุคคลเหล่านี้เราจะเรียกว่าอาริยชนที่มีระดับการพัฒนาสูงขึ้นมาแล้วแต่ว่า สมรษัททั Ph. ้งหลายที่ยังอยู่ในระดับสัญชาตญาณเนี่ยก็จะแบ่งออกไปถึงความระดับรุนแรงแตกต่างกันไปการตอบสนองต่อสัญชาตญาณที่รุนแรงที่สุดเราเรียกว่าสัตว์นรกจะตอบสนองได้รวดเร็วระรุนแรงแล้วก็การทำลายทําลายล้างได้สูงในเมื่อปฏิกิริยาตอบสนองนั้นไม่ถูกตามสัญชาตญาณของเองที่ต้องการเรายว่านรก ซึ่งก็มีสมมุติต่างๆระดับของนรกและนรกระดับไหนคือความเดือดร้อนระดับไหนนั่นเองถ้าจะว่าที่เป็นรูปธรรมเป็นปัจจุบันความเดือดร้อนระดับไหนอันตรายระดับไหนของของสันทตยานระดับนั้นเบาลงมาหน่อยแต่ท่านทำไมท่านจึงนำเอาสรนติยานที่ที่มีความรุนแรงสูงสุดเป็นนรกคือคนส่วนใหญ่เนี่ยมีทุกขเวทนาเป็น เป็นเจ้าเรือนด้วย อ, อำนาจของอนิจจังทุกขังหน้าตาและทุกขเวทนาตัวนี้เมื่อไม่มีวิปสัสสนาญาณเข้าไปจัดการมันพัฒนาเป็นโทสะที่นําไปสู่ความไม่เจริญของจิตและเวทนาลุกเนี่ยนะทุกขเวทนาท่านจะเอาความรุนแรงชั้นเป็นชั้นต่ำสุดเพราะเพราะรูปนามเนี้มันเป็นหลังของทุกระ ล, ลังของโลก ในเมื่อตอบสนองมันไม่ไม่ถูกความอันตรายรุนแรงก็เกิดขึ้นในจิตของสัพพสัตคุณนั้นเรียกว่าทําอันตรายได้ทุกอย่างไมแ่ม้กระทั่งทำร้ายชีวิตของตัวเองก็ได้ที่ระดับเบาลงมาที่ตอบสนองต่อความสุขเวทนาคื อ, อยากจะได้สุขเยอะๆมันพัฒนามาเป็นความโลภและความโลภนี้เราเอามาบัญญัติเป็นภูมิของจิตว่าเปรต เพราะฉะนั้นนนิลกความดูแลงระดับที่สองขึ้นมาก็คือเปรตเพราะบัญญัติตามสุขเวทนา น, นเมื่อเราโลภสุขเวทนามากๆเราก็จะโลภสูงเมื่อโลภสูงเราก็หิวเพราะความหิวความอยากเราเรียกเปรตเป็นภาวะจิต ท, ที่เป็นเปรตนะทีนี้ระดับดูแลงอ่อนมากว่าเปรตหรือความดูแลงระดับที่เป็นอสุรกายก็พัฒนามาจาก ระหว่างตัวโทสะและโลภะผสมกันอย่างละครึ่งออกมาเป็นอสุรกายคือหมายความว่ามีความโลภด้วยและมีอํานาจที่จะโลภด้วยเมื่อคมโลภนั้นไม่ถูกตอบสนองก็มีอํานาจที่จะบังคับเอาตามนั้นด้วยเรียกว่าอสุรกายเรียกว่าอสูรที่เราเรียกเรียกอสูรคือยักษ์ทีนี้ สัญชตาตญาณที่ถูกบัญญัติคือเป็นสภาวะจิตระดับที่สี่เกิดจากโมหะจิตคือความรุ่มหลงความสนุกสนานความเพลิดเพลินตามวิสัยของของสรรพสัตว์ก็จะพัฒนามาเป็นเดริชานทือหมายความว่าจิตอยู่ในระดับที่แ น, นาบกับพื้นขวางทเลเดรชานแปลว่าขวาง คือหมายถึงว่ามันไม่ยอมเข้าใจอะไรตามความเป็นจริงแต่ว่ามันจะเอาตามที่ที่มันคิดว่ามันจะเป็นถ้าใครมาขัดขวางตามสันสัญชาตญาณนั้นมันก็พร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะขัดขวางพร้อมที่จะคัดค้านพร้อมที่จะไม่เอาด้วยนะนั่นก็เรียกว่านั้นนั่นเรียกว่าอบัยภูมิทั้งสี่เนี่ยจิตระดับทั้งสี่จึงเรียกว่าอวัยวภูมิคือตั้งแต่สันน์โลกเปลกดสุรกายเดริชานก็พัฒนาไปจาก ตัวโลภะโทสะโมหะนั่นเองนั้นกำเนิดของใบยภูมิทั้งสีก็คือตัวอคุสุนทั้งสามตัวคือราคะโทสะโมหะล้วนหมาพัฒนามาจากสัตวชั้นยานซึ่งสัตว์ระสัตอื่นมันไม่มีนอกจากสัตว์มนุษย์และสัตว์มนุษย์มีส่วนนี้เองจึงได้รับความทุกข์อย่างมากมายมหาศาลนะเวียนว่ายไตเกิดมาดังนั้นเราเห็นอันตรายของ ของวัตถสงสารที่จะต้องเวียนว่ายใจเกิดตามอำนาจของสันทัตยานที่พัฒนาเอาไปเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งสัตว์อื่นมันไม่มีมนุษย์จึงเป็นเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาในส่วนที่สูงก็ได้ต่ำก็ได้ดังนั้นเองเมื่อเรารู้เป้าหมายอย่างนี้แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพ้นไปจากอำนาจของสัญทัตยานของเราเองเราจึงมาทาวิปัสนาญาณดังนั้นเป้าหมายของวิปัสนาญาณก็คือเปลี่ยน ตัวความไม่รู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตัวเท่านั้นและในตระกูลของมันก็คือเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนการปรุงแต่งเป็นปัญญามาจากตระกูลเดียวกันหมดคือเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้เท่านั้นคือเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นหน้าที่ของเราดังนั้นเราจึงมีการพัฒนาตัวรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องให้เป็น หลักเป็นกําลังของวิปสัสสนาญาณเพิ่มกำลังให้วิปสัสสนาญาณเพื่อวิปสัสสนาญาณตัวนี้จะไปเปลี่ยนสัญชาตญาณได้ตลอดเวลาเพราะสัญชาตญาณ น, นั้นถ้าหากว่ามันมีขึ้นมาถ้ามันยังไม่หมดเชื้อหมดซากมาแล้วมันก็พร้อมที่จะพัฒนาไปสู่อํานาจดั้งเดิมของมันคือโลกกฎลงดังนั้นเมื่อเรารู้หน้าที่ชัดเจนแน่นอนอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะ ทำต่อสินี้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่ทำเพราะความเชื่อไม่ใช่ทำเพราะความอยากไม่ใช่ทำเพราะการบังคับควบคุมไม่ใช่ทำเพื่อที่จะให้ได้อะไรแต่เราทำสิ่งนี้เพราะเห็นภัยของสัญชาตยาณที่มันบังคับบีบเค้นควบคุมชีวิตของเรามาหลายพพหลายชาบิหลายกับหลายกันเราจึงเกิดภาวะที่กลัวในการที่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไป และโอกาสที่จะทำนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมีโอกาสมาทำเรื่องนี้และไอการที่จะมาทำเรื่องนี้มันก็มากมายในนามของลัทธินิกายศาสนาซึ่งเราดูดลอดมาศึกษาเรื่องนี้ได้นี่ก็ถือว่าเรามีโอกาสดีที่สุดกว่าคนอื่นึ่งมาทำจุดของของกํกำเนิดชีวิตทีเดียว ซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็ทำได้มากบางคนก็ทำได้น้อยบางคนก็ยังตั้งใจบางคนยังไม่ตัทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจหรือสติปัญญาของคนคนนั้นเราก็จะไปกระเก์ให้เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้สติปัญญาหมายถึงว่าเข้าใจเรื่องนี้ได้มากเท่าใดก็ทำเรื่องนี้ได้มากเท่านั้นเข้าใจเรื่องนี้ได้ปานกลางก็ทาได้ปานกลางเข้าใจเรื่องนี้ได้น้อยก็ทาได้น้อย ดังนั้นเองสัญชาตยานตัวนี้ถ้าหากว่าใครสั่งสมมาสูงมันก็มีอํานาจสูงเมื่อมีอํานาจสูงเราก็ยากแก่การที่จะบังคับควบคุมเพราะตลอดเวลาชีวิตของเหล่านั้นที่จะทํากับเรื่องนี้มันค่อนข้างจะยากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมไม่เอือ้อเพราะนั้นเราจึงขวนขวายมาสู่ที่แบบนี้ถึงแม้จะมีความไม่พร้อมหลายอย่างแต่เราก็พอใจ เพื่อจะได้มามารู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อรู้ความจริงชัดเจนแล้วทีนี้มันเกิดด้วยยานปัญญาของเราเองแล้วสามารถนำไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่บ้านทำก็ได้แต่ขอให้เรามีความเข้าใจว่าสรรชัตญาณนะั้นํำเราไปสู่อะไรนำเาร า, าเไปสู่ความโลภเกิดมากขึ้นกว่าเดิมนำไปสู่ความโกรธมากขึ้นกว่าเดิมนำไปสู่ความหลงมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจริงๆชีวิตแต่และชีวิตเดนมันไม่ต้องการอะไรมากแค่ปัจจัยสี่แต่โดยที่เราไม่เข้าใจอํานาจของสัญชาตติยานอันนี้ทําไมสัญชาตติยานนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมันต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของมันเองคือรักษาของอัตตาตัวตนให้ดํารงอยู่ซึ่งสัญชาตติยานอย่างนี้มีอยู่ในทุกคนทุกสัตว์ไม่เว้นแม้กระทั่งพืชที่มันมีตัวของมันเองเราจะเห็นว่าพืชต่างๆเนี่ยทําไมมันมี ลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันไปในการแผ่ขยายเผ่าพันธุ์ของมันเองพืชบางตัวมันมีรสเป็นตัวขยายเผ่าพันธุ์คือหมายถึงว่ามันมีรสดีมนุษย์ผู้ที่ตกเป็นทาสของรสก็ช่วยรักษาเผ่าพันธุ์มันเอาไว้แล้วก็ปลูกพืชประเภทนั้นพืชประเภทนั้นมีอายุยืนเป็นพันพันปีก็ไม่ศูนย์พันพืชบางชนิดมันแผ่เผ่าพันธุ์ของมันด้วยกันสร้างประโยชน์ และในขณะเดียวกันมันก็ขยายตัวของมันโดยธรรมชาติอ่าเช่นทําไมผลมะม่วงกับผลนุ่นรู้จักนุ่นไหมจึงต่างกันอย้จักนุ่นนะลูกนุ่นหมอรู้จักทําไมจึงต่างกันเพราะเป็นสันเช็ตโดยโดยธรรมชาตินุ่นมันต้องการที่จะขยายพันธุ์ของมันเองเพราะฉะนั้นมันก็สร้างปุ๋ยขึ้นมา เือที่จะอุ้มเมล็ดของมันไปตกทไกลๆเมื่อถูกลมพัดต้องการขยายเผ่าพันธุ์ของมันแต่มะม่วงมันไม่มีนุลักษณะเป็นนุ่นมันก็จะสร้างรสของมันให้น่ากินเพื่อมนุษย์จะรักษาตัวขยายพันธุ์ให้มันแม้แต่สัตว์อะไรก็ตามมันเป็นสัติยานทั้งหมดซึ่งถ้าหากเรารู้เป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าเราซึ่งผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้แม้แต่สัตว์ทั้งหลายที่มัน ลำบกเผ่าพันธ์มันอยู่ที่ประเภทกินเนื้อมันก็รักษาเนื้อและว่าให้คนได้กินที่มันมีประโยชน์ต่างๆประโยชน์ในตัวของมันล้วนแต่เป็นสัญชาตญาณในการรักษาเผาพันธุ์ให้ขยายต่อไปทั้งสิ้นมันไม่มีเจตนาแต่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณในการรักษาเผ่าพันธุ์แห่งอัตตาของมันนั้นเมื่อพพุทธเจ้ามาพบสิ่งนี้ปั๊บท่านจึงประกาศสิ่งตรงกันข้ามขึ้นมาในเรื่องของอนัตตาเราถึงจะต่อ ก่อนกับเรื่องนี้ได้ถ้าตราบใดเราอยู่ในโครงสร้างของอัตตายอย่างนี้เราไม่ไม่สามารถที่จะออกจากโครงสร้างอันนี้ได้องค์สร้างอนฉันเชตยานท่านจึงประกาศว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาโดยธรรมชาติของมันซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ขึ้นมาทันทีซึ่งในศา ส, สนาอื่นไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย น, นอกจากพุทธศาสนาในศาสนาอื่นมีแต่พัฒนาอำนาจสันติยานให้สูงขึ้นไปเป็นพระเจ้าเป็นอำนาจสูงสุด และเป็นพระเจ้าใหญ่ๆแระดับสูงขึ้นไปแต่พุทธเจ้าบอกไม่มีมีแต่อนาตตาอันนี้คือมีในพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วว่าเรากำลังทำจุดไหนเพื่ออะไรเราก็จะมีความเข้าใจได้มากขึ้นนี่ย้อนกลับมาสู่ว่าในตัวเราสัญชาตญาณที่มันทำหน้าที่ตลอดเวลาเราทันมันไหมนะมันก็จะแสดงออกมาแค่สามทางนะ ทางกายทางวาจาทางใจในตัวใส่ม า, าเทาออกมาทางสามประตูนี้เท่านั้นมันไม่มีประตูอื่นออกและทางกายวาจาใจนี้มันก็อาศัยประตูยอ่อยๆอีกหกประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยประตูยอ่อยอีกหกประตูแต่ประตูหลักมันแค่สามประตูดังนั้นการแสดงออกของอากาิยาทุกอย่างของผู้ปฏิบัติผู้ใดสามารถเปลี่ยนสัญชาตญาณ ให้เป็นวิปัสนาได้มากน้อยกว่ากันเนี่ยเราก็จะรู้จักกันเองแล้วก็จะรู้จักตัวเองผู้ใดที่มีปริยาตอบสนองต่อสัญชาตญาณอย่างมีสติอันนั้นหมายความว่าเปลี่ยนสัญชาตญาณให้เป็นวิปัสนาญาได้แล้วแต่ผู้ใดตอบสนองต่อสัญชาตญาณอย่างไม่มีสติสัญชาตญาณก็พัฒนาเป็นกิเลสต่อไป แต่เราจะไปห้ามการปรากฏตัวของสันสัญญาณหรือตัวความคิดความเคยชินนั้นไม่ได้มันทําหน้าที่ของมันอยู่ยนะเป็นธรรมชาติที่จะรักษาตัวตัวตนของมันแต่หน้าที่ของเราที่จะลดอํานาจแห่งสันสัญญาณความเถือนของสัญญาณให้เป็นวิปัสสนาญาณเหมือนเราเปลี่ยนของดิบให้เป็นของสุก เปลี่ยนข้าวดิบให้เป็นข้าวสุกเปลี่ยนผลไม้ดิบให้เป็นผลไม้สุกเปลี่ยนอาหารดิบให้เป็นอาหารสุกเราถึงบริโภคได้ชั้นใดชีวิตของเราก็มีตัววัตถุดิบคือสารชเตยาลเป็นของดิบอยู่เราจึงมา บ, บำเพ็ญตะบะตะบะคือความเพียรที่เราเฝ้าทำอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนี้นี่คือตัวตะบะรมเหมือนกับที่เราจะเปลี่ยนของดิบให้เป็นของสุกเราก่อไฟขึ้นเราติดไฟขึ้นเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการแปลเปลี่ยนตัวนั้น แต่นั้นเองเราจึงรู้ข้อหมายว่าเราทํำไมต้องทำความเพียรตลอดทั้งวีทั้งวันก็เพื่อสร้างตะบะธรรมตัวนี้ให้แปลเปลี่ยนสรรชาติยานให้เป็นวิปัญนายานเมื่อจิตจิตนี้ถูกแปลเป็นวิเป็นนิวิปัญญายานได้มากขึ้นชีวิตก็ปลอดภัยมากขึ้นปลอดภัยทุกระดับปลอดภัยจากความทุกข์ทุกระดับอันนี้คือการพัฒนาสูงสุดของมนุษย์ที่เราเรามี การพัฒนาการมามนุษยชาติมาโดยที่มีโพธิสัตว์หรือมีพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เป็นโพธิสัตว์คือบุคคลที่เข้ามาสู่สายทางแห่งการพัฒนานี้และบุคคลผู้เป็นโพธิสัตว์สูงสุดคือพระพุทธเจ้าที่พบเรื่องนี้มาก่อนเราทุกคนมาสู่ทางเส้นนี้ล้วนจะเป็นพลโพธิสัตว์ทุกคนเป็นโพธิสัตว์ทุกคนคือเพื่อพัฒนาตัวโพธิสัตว์หรือโพธิจิตของเราไปสู่อริยะภูมิ และไปสู่การแปลเปลี่ยนสันเทศญาณให้เป็นวิปสัสนาญาณโดยสมบูรณ์ชิ้นเชิงที่เราสมมติเรียกว่าอรหันต์แล้วนั้นเราไม่ต้องมากับมาใช้นี่พบชาติของเราอีกต่อไปซึ่งแต่ใดถ้าเราทําหน้าที่ตรงนี้ไม่เสร็จนะเราก็ต้องเวียนไหวใจเกิดอยู่เนี้ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติก็เวียนอยู่อย่างนี้านานหลายหมื่นหลายพันปี ก็จะเกิดผู้ที่จเจ้าขึ้นมาองค์หนึ่งแล้วก็มาบอกเรื่องนี้คนที่ได้สั่งสมโพธิจิตหรือโพธิสัตว์มามากพอก็จะได้พบได้ศึกษาแล้วก็ลื้อถอนตนเองออกจากวตาสงสารไปกลับไปสู่ธาตุดึงดินน้ำลมไฟนะนั้นเองเราจึงไม่มี เราจึงไม่มีเมื่อมาสู่ทางสายนี้แล้วเนี่ยเรารู้ทางว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความทอ้อถอยไม่มีความขี้เกียจอีกต่อไปเราจะไม่มีความฝึกไม่มีความฟืนในการที่จะทําต่อไปเราเต็มใจทําเสมออันไหนเป็นสิ่งที่ดีๆอันไหนเป็นสิ่งที่เป็นปูทางไปเพื่อทางสายนี้เรายินดีที่จะปฏิบัติตามเสมอเราไม่มีข้อลังเกียจลังงอนไม่มีข้อปฏิคั่งุนกิเลสทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจของเรา แต่ถ้าะระดับความเข้าใจของเรายังต่ำแน่นอนเราเสมือนถึงว่าถูกบังคับให้ทําเสมือนถูกฝืนใจทําเสมือนว่าเราเกรงกลัวอะไรบางอย่างจึงทําสิ่งนี้อันนั้นแสดงว่าระดับความเข้าใจเรายังไม่ไมสูงพอจึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นเราต้องตรวจสอบความตั้งใจของเราว่าเราทําด้วยอํานาจอะไรถ้าทําด้วยอํานาจของความเข้าใจและสติปัญญาเราจะทําได้สูงมากเราจะทําได้มากและทําได้ไวเพอเราสามารถเก็บรายละเอียดของสัญชตาตญาณได้สูง เพราะมันปรากฏออกมาทางประตูทั้งสามจระเวลาทางกายทางวาจาทางใจตอนแรกมันก็ต้องปรากฏทางใจมันพกอับขึ้นมาแต่เนื่องจากว่าวิปัสสนาญาณเรายังไม่มากพอเราตามไม่ทันมันก็แสดงออกมาทางกายแต่ถ้าวิปัสสนาญาณของเราเริ่มระดับกลางเราทันทางกายก็สามารถควบคุมมันได้โดยที่ไม่ไหลไม่ไหลลื่นโดยที่ไม่เป็นไปโดยฉันโดยความเคยชินหรือโดยความเผลอไพร เราควบคุมมันได้แต่ในระดับลึกลงไปคือจิตเรายังควบคุมมันไม่ได้แต่ว่าในควบคุมมันได้ระดับกายก็ดีและในวาจาก็เช่นเดียวกันก็คือกายนั่นเองเราก็สามารถดูแลควบคุมมันได้ถ้ามีอะไรมากระทบเมื่อเราจะตอบปฏิกิริยาตอบสนองมันทันทีเรามีสติรู้เท่าทันมันก็หยุดถ้าสติไม่รู้เท่ามันก็ไหลไปเรื่อย ซึ่งนั้นคือจึงมีกระยาณมิตรครูบาอาจารย์มาช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อจะบอกเราว่าเออสารชัตยะของคุณสูงไปแล้วนะให้ตัดทอนมันลงมาเราก็ได้สติแล้วว่าเตือนสติกันซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้เราก็จะไม่โกรธกันไม่เคืองกันไม่ปฏิฆากันเราก็จะรู้สึกถึงความขอบพูนอย่างสูงนึกถึงความเมตตากรุณาของท่านอย่างสูงถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ถูกดังนั้นเองเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเลยเป็นเรื่องใหญ่มาก เรื่องใหญ่กว่าเรื่องใดๆแต่ทำไมมนุษย์จึงให้ความสำคัญมันน้อยมากเพราะยังไม่เกิดสติปัญญาเห็นทิศทางตัวนี้อย่างชัดเจนนั่นเองซึ่งจะต้องรอในการพัฒนาระดับสติปัญญาให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนมากพอที่จะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เห็นโทษเห็นคุณของของสรรชาติยาน เห็นโทษเห็นคุณของวิปัสนาญาณแล้วไม่มีใครต้องมาโมดิเวตมากระตุ้นให้เราต้องทําอีกต่อไปเราจะกระตุ้นตัวเราเองเราจะโมดิเวตตัวเราเองนั่นคือระดับพัฒนาสูงขึ้นไปซึ่งเราเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลที่โมดิเวตตัวเองได้อินสปายตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยาการโมดิเวตจากแรงบันดาลภายนอกซึ่งอันนี้หมายความกล้าเข้าสู่เขตแดนของอริยบุคคลแล้ว แต่ถ้าหากเขายังต่ำกว่า น, นั้นยังคอยสิ่งแวดล้อมคอยกระตุ้นให้ทําอยู่อันนั้นก็ยังไม่เข้ามาสู่เขียแดนอันนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาจึงอยากว่าในโอกาสที่พวกเราได้มารวมกันเนี้จึงอยากจะบอกเรื่องนี้แล้วก็ใครจะเข้าใจได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระดับความเข้าใจระดับสติปัญญาของแต่ละคนแต่แน่นอนว่าอันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ไม่ผิด ได้สํารวจตรวจสอบพิสูจน์อยู่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สันสัตยานที่มีอํานาจสูงสุดในการที่จะบีบบังคับให้มนุษย์ตกอยู่ในอํานาจอันนี้ตลอดไปก็คือราคะโทสะโมหันแล้วก็คือส่งจริงย่อแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นราคะโทสะเพราะนั้นพุทธเจ้าท่านท่านได้ตัดพุทธภาษิตอันหนึ่ง ที่น่าคิดหนว่าสินจะพิกขุอิมังนาวังสัตตาเตละหูเมสติลาคันจะโทสันจะเชตวาตาโตนิพพาณะเมหิสิแปลความบอกว่าพิสุเธอจงวิตน้ำออกจากเรือนี้เรืออันเธอวิตแล้วคือจง ราคะและโทสะออกจากจิตนี้จิตนี้เมื่อไม่มีราคะโทสะนั้นจะมุ่งสู่นิพพานโดยสถานเดียวท่านไม่ได้พูดถึงโมหะเลยเพราะราคะก็ดีโทสะนั้นเป็นผลเป็นผลและเป็นเหตุในตัวงล่องตัดราคันจะโทสันจะเชตะวาตจัดตัตนิพพานนัไม่ฮิสิเมื่อเธอตัดราคะโทสะได้แล้วจากนั้นจิตจะมุ่งสู่นิพพาน ซึ่งง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากทําไมท่านจึงไม่ผนวกอาโมหะเข้าไปด้วยเพราะโมหะนั้นมันเป็นเป็นตัวที่ถ้าสองตัวเนี่ยมันไม่ถูกตอบสนองโมหะก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีแต่เนื่อเมื่อราคะโทสะถูกตอบสนองโมหะก็จะเป็นอวิชชาไปเรื่อยๆและอวิชชาก็จะเป็นต้นตอของเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นจุดทะฉะนั้นในทวาราคัญจา่าโทสัญจาราคะ คือความพอใจมันพัฒนาตัวมาเป็นความโลภพัฒนาตัวมาเป็นกามพัฒนาตัวมาเป็นความมาเป็นตัณหาพัฒนามาเป็นตัวอุปท า, านนะตัวพอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวใจตัวพอใจหรืออี เ, อเลีองเรืองอาสาทะหรือเราแปลว่ารสชาติง่ายๆที่สุดวันไหนเราทานอาหารไม่อร่อยอาหารไม่อร่อยเรารู้สึกไม่พอใจเราก็แสวงหารสชาติตอบสนอง ถึงมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นในระดับนี้ใครมีสติปัญญามีความสามารถปรุงแต่งได้แหลมคมเมาที่สุดก็อร่อยมากที่สุดก็ตอบสนองสันชี่อาจารตัวนี้ได้สูงสุดเพิ่มอํานาจแห่งความอยากและความโลภได้สูงขึ้นเรื่อยๆคนจึงตกเป็นทาสของอาหารรสชาติที่อยากยากตามลําดับเมื่อเรามาสู่เขตแดนของพระริยเจ้าเราจึงลดความรุนแรงตัวนี้ลงด้วยการลดการกินอาหารที่มีรสชาติลง แต่ไปกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไม่จําเป็นต้องมีรสชาติสัตว์ทั้งหลายมันไม่เคยปรุงอาหารแต่ว่ามันมีกําลังมากกว่าเราก็มีช้างมาวัวควายมันไม่เคยที่มะเสียเวลาหุงข้าวต้มแกงอย่างเราแต่ว่ามันก็มีกําลังมากกว่าเรามันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมันไม่เคยไปหาหมอมันไม่เคยกินยาแม้แต่เม็ดเดียวแต่มันมีกําลังหือกว่าเรานั่นเพราะมันไม่มันไม่สนใจเรื่องรสชาติ เพราะว่าระดับสติปัญญามันมันไม่ถึงอย่างมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จึงมีการประดิบ ป, ประดอยอาศ า, าทอแทบนี้แหลมคมที่สุดแล้วก็ครอบงําจิตมนุษย์เองได้ลึกลับที่สุดยากที่จะออกอย่างมันเพราะฉะนั้นเราจึงปรุงอาสาทะาอาศะาาทะทางตาเราผลิตในบ้านในเรือนของเราให้มีสิ่งสวยสวยงามคอยล่อคอยลอ ก, อลอกให้เราได้ มีความอบอุ่นใจเอาไว้อะไรที่มันสวยยงามๆดีๆสรรหามาไว้ในบ้านเราอันไหนที่มันเลิศมันประเสริฐในแง่ของการดูแม้สิ่งนั้นจะได้มาโดยยากก็ตามเพชรพลอยกินไม่ได้แต่ว่ามันถูกหูถูกตาราคาเป็นแสนเป็นล้านเราก็สวงหามันนี่เป็นอาสาทาทางตาทางหูเราต้องการคบหาสมาคมกับคนที่พูดถูกใจเราคนที่พูดเอาใจเรา คนไหนพูดไม่ถูกใจไม่เอาใจเราเราไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะเราติดอาสาทธะทางหูและเสียงต่างๆที่มันถูกใจเราไม่ว่าเสียงดนตรีเสียงเพลงระดับไหนตั้งแต่หยาบถึงละเอียดที่สุดก็ตอบสนองสัรชาติญาณในส่วนนี้คืออาสาทธะความประเด็ดลอยทางเสียงความมรนเล็ดลอยทางจมูกทางลิ้นอันนี้ยิ่งรุนแรงที่สุดคือเรื่องรสของอาหารรสของกาม เพราะนั้นอวัยวะที่ตอบสนองต่อความอยากที่ขอบเงนมนุษย์หยู่คือมีสองส่วนคือปากอาวัยวะเพศมีความเลี่ยอ่อนที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์ตกเป็นทาสของมันคือกายแล้วใจนั้นเป็นต้นตอที่ตอบสนองต่อรสชาติทั้งห้าเราเรียกว่ากลามคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกายมีตัวจิตเป็นตัวชักใยอยู่ ไปจูบอยู่เบื้องหลังถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจถึงอํานาจสัญชตาตญาณเหล่านี้แล้วออกจากอานาจนี้ไม่ได้เราเคยติดรสอาหารแบบไหนเราก็ยังแสวงหารถแบบนั้นเราเคยปรุงแต่งแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะในช่วงที่ติดอาสาท่าเหล่านี้มนุษย์ก็ไม่ใช่จะปกติมีโครคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับรสชาติมีการเจ็บป่วยมีการไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไปเสพอาสาทะ อันนี้มันเป็นข้อแท้จริงมากพอที่จะให้เราได้สติว่าเพราะอะไรเราจึงไปติดทำไมรูือดจึงลดไม่ได้นะอันนี้แหละที่เราจะต้องไปพิจารณากันที่จะลดลงมาเพราะนั้นในพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่โปรดปานในเรื่องนี้กินให้น้อยที่สุดกินที่ไม่ต้องอเพื่อที่จะให้เกิดเพราะรสชาติทั้งหลายนีก็ให้เกิดกามและการไม่ถูกตอบสนองก็ให้เกิดโทสะ และโทรสารไม่ถูกตอบสนองก็ให้เกิดอันตรายระดับตั้งแต่อายภูมิทุกระดับไม่ว่านารกเปรตสุรกายเดรัจฉานเราก็เห็นอยู่แต่ทำไมเราจึงไม่ไม่อยากจะพ้นไปจากอำนาจอันนี้เพราะมันเสพติดหรือเกินไปยิ่งปัจจุบันนี้นอกจากจะเสพติดในรถอาหารแล้วก็มีเส็งเสพติดสารละพัดอย่างเป็นร้อยๆเป็นพันๆชนิดที่จะให้จิตมนุษย์ของเรา ลงไปสู่อำนาจของมันยิ่งในโลกแห่งเป็นทุนนิยมวัตถุนิยมัยม้ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเองเราจะต้องเห็นพิดเห็นภัยสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่นี้นำไปสู่ความเดือดร้อนและสงครามไม่มีที่สิ้นสุดพอสงครามมันเป็นผลบันปลายของความความโลภมนุษย์เพราะสงครา ม, มเป็นผลบรรพปลายตรงกามเมื่อสรรชติยานุใต้ฝ่ายโลภะไม่ถูกตอบสนองอย่างเต็มที่มันก็ ทุกขผันเป็นโทสะนั่นนําไปสู่ไฟสงครามซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่ว่าถ้าเราไม่มาปฏิบัติจนเข้าสู่เขตแดนของอริยภูมิแล้วก็ยากที่จะหินโทษของมันเหมือนกันแล้วก็ยังขวนขวายสแสวงหาอาส า, าท่าต่างๆไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เราก็ต้องสแสวงเราเสียเวลาไปเท่าไหร่เราต้องเสียเวลาในการครอบครองในสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเรามีสมบัติ มีทรัสมบัติมีที่ดินมีชื่อเสียงซึ่งจริงๆแล้วชีวิตจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีอย่างนั้นแต่เรามันจําเป็นต้องมีเพราะสารเเตยานของเราบ่งการมาตลอดเมดื่อพระพุทธเจ้าท่านเห็นอันตรายเหล่านี้ยท่านก็เลยออกมาจากประสาทร า, าชวางังออกมาจากบ้านจากเมืองแม้แต่อริยาสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เข้าใจอันนี้แล้วท่านก็พยายามหลีกออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะท่านเห็นอันตรายของภพชาติที่จะมีต่อไป จะต้องเวียนว่ายใจเกิดกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติซึ่งผู้ใุองค์ที่ได้เปรียบไว้หน่ากลัวว่าที่เราตายแล้วตายอีกกระดูกของเรากองเป็นภูเขาเรากาเราก็ไม่เคยสลดทุกที่ที่เราเหยียบย่างไปบนผืนแผ่นดินไี่ไม่ไม่ไม่มีที่ใดเลยที่ไม่ใช่หลุมฝังศพของเราซึ่งมันไม่ใช่เป็นคําพูดที่สวยหรูนั่นเป็นความจริงด้วยแต่เราระลึกไม่ได้เท่านั้นเองเพรานั้นการปฏิบัติ มีปสนาท่านจึงมุ่งว่าให้นําจิตกลับมาจิตกลับมาจิตกลับมาจิตกลับมาปัจจุบันจนกระทั่งเข้าไปสู่กุ้นก่นบึงนึกซึ่งที่สุดของจิตเราที่ไปเห็นสัญญาณอันแรกที่เราจะเริ่มเกิดความสังเวชนั่นคือผูกเพนิวาสานุสติญาณคือไปเห็นอดีตการของตัวเองว่าตัวเองเราเคยเป็นอย่างไรมาเคยทุกข์อย่างไรมาแล้วเราจะเกิดสลดตัวนั้นเป็นสัญญาณแรกที่เราจะเริ่มหันกลับเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ นั้นเบื้องต้นที่สุดเราจึงมาศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามดึงจิตมาอยู่กับรูปกับนามเพื่อที่เจาะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปสู่สมบัติเดิมของเราที่เราฝังไว้ในอดีตว่าเราฝังอะไรไว้บ้างในส่วนลึกที่สุดของจิตของเราเพราะจิตดวงนี้มันสืบทอดมารู้กี่พบกี่ชาติที่กับกันมาเป็นมเมล็ดตรงนี้ เหมือนเมล็ดมะม่วงเมื่อหลายพันปีก่อนมันก็เคยมีแค่เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่มันสืบเชื้อสายกันมาจิตวิญญาณของเราเหมือนกันเมล็ดตัวเนี้ยที่มันเป็นเชื้อเป็นสายเราเรียกมันว่าสัญชัดญาเนี่ยมันเป็นเมล็ดที่พร้อมที่จะงอกงามถ้าได้รับการเพาะการบ่มที่เราเรียกว่ากรรมนังนั้นเองก็จึงอยากจะให้มาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่าศึกษาด้วยความเข้าใจ ถ้าศึกษาด้วยความไม่เข้าใจเราก็จะเครียดเราก็จะมึนเราก็จะสับสนวุ่นวายเพราะศึกษาด้วยความโลภ <c oughs> แต่ศึกษาด้วยความเข้าใจเราจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆเล็กๆแต่เข้าใจทีละนิดละนิดไปเพราะฉะนั้นเรากลับมาสู่รูปสู่นามของเราดูว่าในรูปในนามนี้เป็นผลผลิตขั้นสุดท้ายของจิตดวงนี้ที่เราเติบโตกันมาหลายสิบปี แล้วเราก็ใช้มันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่จะย้อนสอนไปเพื่อดับตัวเองนั่นก็คือเข้าไปเปลี่ยนอำนาจของสรรชาติยานเปลี่ยนอำนาจของความเคยชินให้เป็นความรู้สึกตัวทุกระยะไปแล้วทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นผู้ที่จะมาเข้าใจเรื่องนี้ได้มีไม่มีไม่เท่าไหร่ถ้าไม่มีศรัทธา อย่างสูงไม่มีความเพียรอย่างสูงไม่มีสติสมัมปชัญญะอย่างสูงก็ยากที่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าพุทธศาสนาจึงทําไมจึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนทุกทุกชาติภาษาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาโปรโมทโฆษณาให้คนมายอมรับนับถือแต่เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ละคนที่ต้องไขว่คว้าส่วนหาเรื่องนี้นะ นี่คือทางออกที่ทางรอดทางพ้นของของของมนุษย์แต่ถ้าเราคิดว่าเอาละอคนส่วนใหญ่ก็เป็นตอนนั้นเราไม่จำเป็นต้องค้นคว้าลําบากก็เป็ น, เ ป, นเป็นตกเป็นทาสของสัญชาตวยานต่อไปเราก็ต้องไม่ปฏิเสธถึงความผูกที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เหมือนกันถ้าเรายอมรับความจริง น, นั้นด้านนั้นเองพวกเราทั้งหลายซึ่งมีพื้นฐานเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วอามาก็จึงอยากจะให้พยายามใช้ความพยายาม ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในการศึกษาและเฝ้าดูการทำงานของจิตที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะเพราะการเคลื่อนไหวไม่ว่ากายวาจาของเราล้วนมาจากต้นตอจากจิตเท่านั้นเราจะบอกว่าเออที่เราพูดอย่างนี้กายเราเคลื่นอนนี้มันไม่มีเจตนาไม่มีจิตจิตไม่ได้คิดเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องมาจากนั้นก่อนมันต้องมาจากจิตก่อนแต่เราจะรู้ท่าทันมันหรือไม่เท่านั้นเองนันะนั้นจึงอยากจะให้ พิจารณาเรื่องนี้นะไม่จาเป็นต้องเชื่ออย่างที่มาพูดหรอกพิจารณาตามลาดับว่ามันจริงไหมที่เราแล้วมาที่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าฉันงจึงเริ่มต้นอย่างง่ายๆเริ่มต้นอย่างง่ายๆที่จัดการเรื่องนี้เริ่มต้นจากมาดูชีวิตแต่ละส่วนละส่วนไปมาดูลมหายใจมารู้การยืนเดินนั่งนอน มารู้การคู่เหยียดเคลื่อนไว้ให้รู้บ่อยๆรู้จนชำ น, นิชำนาญถ้าเราทำสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ได้แล้วเลยไปหวังเลยเลยจะไปทำอะไรได้มากกว่านั้นเพราะสิ่งที่ง่ายที่สุดเห็นชัดที่สุดเรายังทำไม่ได้แล้วภาวะของจิตที่มันละเอียดป่านี้ที่สุดเราก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเริ่มต้นณจุดนี้ให้ได้ถ้าเรามีมีความเข้าใจนะเรามีความเข้าใจถึง โทษถึงภัยของวตาสงสารมีความเข้าใจถึงความมหัเจริญของชีวิตที่เรามามาสู่ณจุดนี้มันไม่ได้มาโดยบังเอิญมันเป็นบุญกุศลเป็นความมหาเจริญชีวิตของเราที่มันมาสู่ณจุดนี้ได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องใช้ความพยายามแปลเปลี่ยนความเคยชินความลื่นไหลให้เป็นความรู้สึกตัวมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นเองนะ ดังนั้นในจุดนี้จึงจึงไม่อยากให้เสียเวลาเพราะชีวิตของเราเสียเวลามามากแล้วครึ่งค่อนชีวิตแล้วแล้วก็เวลาที่เหลือเราไม่รู้ว่ามันจะเจ็บจะป่วยจะตายเมื่อไรแล้วเราจะเวลาเหลืออยู่เนี่ยมันจะมีมากพอที่จะทาําภาระหน้าที่อันนี้ไหมนะดังนั้นจึงประมาทไม่ได้นะดั <c oughs> งนั้นวันนี้เราจึงกําหนดให้เป็นวันเริ่มเก็บอารมณ์โดยการมารู้เท่าทัน เกียร์อาการของกายให้มากที่สุดนะโดยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกหรือบุคคลภายนอกให้หน้อยที่สุดเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ให้มากที่สุดเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกเท่าที่จําเป็นนะแล้วค่อยๆเฝ้าดูมันเรามีอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในกายในจิตเฝ้าดูกำหนดรู้ปล่อยวางไม่ต้องไปพิพจารณา ให้ควรไต่ตรองวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งนั้นเพียงแต่เฝ้าดูรับรู้ก็ก็ปล่อยวางไปรับรู้ในส่วนใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในส่วนของเวทนาต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับศรัทธาและสติปัญญาของเรามีมากพอแค่ไหนที่จะตามดูมันอย่างต่อเนื่องตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญจึงอยากจะให้อ่าคอยพิจารณา เฝ้าดูอย่างต่อเนื่องนและเฝ้าดูอย่างนุ่มนวลอย่างเคารพอย่างพอใจไม่ใช่บังคับตัวเองไม่ใช่กดดันตัวเองเฝ้าดูอย่างเข้าใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่เฝ้าดูอย่างไม่เข้าใจแล้วมันมีปัญหางนั้นจะพยายามทําความเข้าใจถ้าอันไหนที่มันเข้าใจยากก็กลับมาสู่ง่ายๆก่อนถ้าเราไป พยายามเข้าใจในสิ่งที่มันซับซ้อนละเอียดเกินไปเกินเกินความสามารถของเรามันก็เป็นูนให้เราเกิดความผวงสงสัยปวงแต่งไปในเรื่องที่ไม่ไม่นําไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องนั้นเราก็พอจิตมันจะเข้าไปสู่ระดับที่จะรู้อะไรมากถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้มันจะมีแต่เสียเวลาให้เกิดข้อคิดและสงสัยเท่านั้นเราจะถามใครเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะตอบให้ถูกใจเราได้เพราะมันไม่ใช่ปัญญาของเรา เพราะนั้นเราต้องกลับมาสู่ความรู้ระดับต้นเสมอเมื่อมีข้อสงสัยกลับมาสู่รูปนามกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาสู่ลมหายใจกลับมาสู่การเคลื่อนไหวแล้วค่อยๆตามเข้าไปดูตามเข้าไปลึกเข้าไปกลับไปสู่ลึกเข้าไปสู่เวทนาทุกระดับเวทนาระดับอยาเวทนาระดับกลางเวทนาระดับละเอียดเวทนาทางกายและเวทนาทางจิต มีให้เราดูอย่างหลากหลายถ้าเราจะดูแต่ว่าไม่ใช่ดูทุกจุดที่มันเกิดแต่ดูจุดที่จำเป็นที่จะดูเช่นในขณะนี้เย็นร้อนอ่อนขแข็งแข็งตึงก็มีอยู่ในทั่วตัวของเราถ้าเราจะดูทั่วตัวดูไปนานๆมันก็จะเบลอเพราะมันไม่ไม่ชัดสักจุดแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงมากกว่าเพื่อน ในที่นี้อาจจะเป็นตะโกของเราเอวของเราข้องแข้งข้อขาของเราเอาจุดที่เด่นนั้นขึ้นมาเป็นที่สังเกตมีที่เฝ้าดูแล้วจัดการกับมันจัดการให้มันเป็นยังไงจัดการให้มันเข้มขึ้นก็ได้จัดการให้มันหายไปก็ได้และมันก็มีหลายๆจุดเข้มระดับหยาบจุดเข้มระดับกลางจุดเข้มระดับละเอียดก็มีให้ดูอีกถ้าเราประสงค์จะศึกษาจริงๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราไม่ได้มีพื้นฐานในการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเราก็มักจะหลงลืมและเผลอไปสู่เรื่องอื่นที่ที่ดึงดูดเพราะตลอดเวลานั้นเรามีสิ่งภายนอกดึงดูดที่แรงกว่ารูปเสียงกินและสัมผัสภายนอกแรงกว่าแล้วก็จิตแล้วก็ร <c oughs> ื่นไหลไปหาสิ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต่อสู้กับตัวเองนะใหอกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันบ่อยๆแต่มันเผลอออกไปบ้างก็พอรู้ตัวก็ สลัดทิ้งไปกลับมาสู่จุนิแล้วแล้วเล่าเล่าจนกระทั่งว่าจิตของเราสร้างนิสัยใหม่สร้างความเคยชินแบบใหม่คือความเคยชินที่เป็นปัจจุบันแต่ที่แล้วมานั้นเราเคยชินที่จะออกจากตัวเราไปสู่สิ่งภายนอกเป็นความเคยชินที่เราสร้างมันมาโดยสัญชตาตญาณแต่ใ น, นเมื่อจะมาสู่วิปาาัสสนาญาณเพื่อแก้ไขนี้ต้องกลับมาสู่ปัจจุบันซึ่งต้องสร้างตัว วิปสัสนาญาณให้มีความชนิชนานสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเห็นความลดลงไปของทุกขตามล้ำดับเห็นเฉพาะหน้าเลยไม่ต้องมีใครมาบอกเรามันจะเห็นด้วยตัวเองว่าทุกขเราลดไปจริงๆความเบาโปร่งสบายจะเกิดขึ้นมาแทนความหนักความน่วงทวงทับต่างๆไม่ว่ารูปเนามมันก็ค่อยๆเบาบางลงไปอันนั้นเป็นผลสูงสุดที่เราปรารถนาที่เราเรียกว่าบรมสุข นะเป็นสุขของผู้ที่เป็นอริยชนเท่านั้นที่จะสัมผัสได้ผุุ้ชนไม่มีสิทธิ์นะทั้ะนั้นจึงอยากจะให้กลับมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังๆลองดูซึ่งเวลาเราเหลือไม่มากนะแต่ใ น, นเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้ดีถึงแม้ว่าเรายังจะไม่หมดจากไม่พ้นไปจากอา น, านาจสัญชาตญาณแต่เราก็มีเครื่องมือที่ดีที่จะต่อก่อนกับมันอันนั้นคือความ เข้าใจในวิปัสนาญาณเป็นเครื่องมือท่านเปลี่ยนเสมือนที่เป็นเป็นดาบแห่งปัญญาทีเดียวในการที่จะตัดริดลอนต่อความเจริญเติบโตของสัจจญาณที่ออกมาในรูปของความโลภความโกรธความหลงแต่เมื่อใดวิปัสนาญาณเข้าไปในทะ่าที่ตรงนั้นความโลภ ก, ก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นการเสียสละ ความโกรธก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นความเมตตากรุณาความหลงก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นศีลสมาธิปัญญาในตัวของมันเองดังนั้นเองมันจึงเป็นผลที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแต่เพียงแต่ให้สังเกตมันไปเรื่อยๆจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามแต่ขอให้ใช้หลักอันนี้ไปเรื่อยๆซึ่งที่เราโชคดีอีกระดับหนึ่งก็คือเราได้อุปกรณ์วิเศษที่จะทากับเรื่องนี้อย่าง สะดวกสบายแล้วก็ไม่ไม่ทุก์มากเกินไปนั่นก็คือได้อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวแบบหนองพอเทียนเข้ามาช่วยซึ่งในอดีตนั้นเราอาจจะใช้วิธีการต่างๆแต่ว่ามันก็จํากัดจําเกียรบางทีความสามารถเราไม่ถึงเราก็ท้อแล้วก็วกเบื่อหน่ายแล้วก็ทิ้งไปไม่สามารถจะใช้เครื่องมือชิ้นนั้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะมันหนักเกินไป เครื่องมือชิ้นนี้คือการกํารู้การเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือที่เบาสบายและมีประสิทธิภาพซึ่งตัวนี้คือโชคดีของเราที่ได้มาพบเครื่องมือชิ้นนี้เราก็าพึงใช้มันให้ให้ถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างกําลังให้กับวิปัสนาญาณและวิปัสนาญาณ น, นี้จะไปทําหน้าที่ต่อกอนกับสันชเดียญเองโดยธรรมชาติของมันเลยซึ่งหลวงพ่เทียนท่านเปรียบเสมืนมอนแมวกัะหนู มันจะทำลายกันโดยฉันฉันแยานโดยธรรมชาติหรือเปรียนเสมือนความมืดกับแสงสว่างมันจะทำลายกันโดยธรรมชาติเปลียนเสมือนร้อนกับเย็นมันจะทำลายกับธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติอันนั้นมันมีอยู่แล้วในตัวของคนทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องสร้างธรรมชาติฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายบวกให้มากเข้าไว้เท่านั้นเองแล้วถึงจะไปมันถึงจะมีอนุภาพไปทำลายธรรมชาติฝ่ายลบตามอำนาจของมันเหมือนในห้องนี้ถ้ามันมืดสนิทเท่าจุด แสงสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อยมันก็ความมืดก็ถูกทําลายไปเพียงเล็กน้อยแต่ความมืดจะถูกทําลายไปมากขึ้นก็ต้องเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปไล่ตีไปไล่ความมืดโดยวิธีการใดๆเพียงแต่มาเพิ่มพลังบวกถ้าเองพลังลบมันก็ค่อยหายไปเหมือนกันถ้าหากว่าเปรียบสรรชาติยานเป็นเป็นกําลังมืด วิปัสนาญาณก็เป็นกำลังบวกก็เป็นกำลังสว่างแทนที่เราจะไปไล่บี้กับไอตัวสัญชัดตยานแต่ว่าเรามาสร้างความรู้สึกตัวที่เป็นวิปัสนาญาณให้มากขึ้นเท่านั้นเองแล้วอนุภาพแห่งวิปัสนาญาณมันจะไปจัดการแก่สัญชัดตยานของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกันในการที่จะไปไล่บี้อะไรกับมันเพียงแต่มารู้สึกตัวชัดๆเข้าใจต่อเนื่องเท่านั้นเอง อันนี้คือคือหลักธรรมชาติมันมันมีอยู่แล้วซึ่งเป็นหลักการที่ชัดเจนที่สุดแต่ว่าเราจะเข้าใจได้แค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและความาเข้าใจของเราดัง น, นั้นจริงเรามาทำเรื่องนี้ไม่ไร้ผลนะไม่ไร้ผลแต่ว่ามันจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนี่ขึ้นอยู่กับความไฟเรียกว่าฉันทะของเราถ้าเรามีฉันทะทาให้ชันทะ มากเข้มข้นเรื่องนี้มันก็จะต่อเนืพัฒนาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพบชาติของเราที่ยาวนานก็เริ่มหดสั้นเข้ามาหดสั้นเข้ามาแล้วแต่กําลังแสงของวิปัสสนาญาณของเราไม่ได้บ้าว่ามันจะยาวไกลไปถึงไหนนะและยิ่งกําลังของวิปัสสนาญาณของเรากว้างขวา ง, วางยาวไกลนั่นมันหมายถึงพบชาติเราก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาในที่สุด เราสิ้นภพสิ้นชาติก็ยิงถือว่านั้นคือเป็นโชคอันสูงสุดในการเกิดมาเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสแสวงหาโชคอันสูงสุดอะไดก็ตามให้สแสวงอันนี้เป็นอันดับแรกเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ถึงเป้าหมายอันสูงสุดมันก็จะได้ระดับผลรองๆองลองไปตามลําดับนะซึ่งนั้นก็เป็นผลดังนั้นเองมันจึงเป็นอั น, นิี้สูงได้ทุกระดับ ขอให้เราให้ความทาความเข้าใจและความใส่ใจและให้มีความสุขในการทำอันนี้คือเป็นเป้าหมายสำคัญมากอย่าทำไปด้วยความทุกข์และความอยากความรับแค้นอึดอัดแต่ให้มีความสุขความร่าเริงในการทำอันนั้นเราจะไปได้ไวมากแต่พ้มันยังไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานในการทำก็ต้องเพิ่ค้นคว้าหามันต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรหามันให้เจอว่าทาไมจึง ไม่มีความพอใจที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเราต้องค้นเข้าไปในจิตสานึกของเราไม่ต้องไปอ้างถึงบุญวาสนาบารมีหรืออะไรต่างๆที่เราเคยอ้างกันแต่ว่า้องหาเหตุมันให้เจอเท่านั้นเองและหาเหตุมันเจอแล้วจะสามารถแปลสภาพตัวฝืนตัวข่มให้มาเป็นตัวพึงพอใจที่จะทำแล้วนั่นแหละเราเคยได้รับผลไปตั้งแต่ต้นทีเดียวกับเรื่องนี้ เพื่อนในช่วงเช้าเนี่ยมานำเสนอเรื่องนี้เพื่อที่เราจะนำไปใช้ในการเก็บอารมณ์ในช่วงระยะสองสันต่อไปนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรที่จะถามก็กได้ตอนนี้ยูดมาแล้วทั้งหมดเข้าใจไหม ถ้าภาพนั้นมันเป็นภาพจินตนาการหรือเป็นภาพปรากฏก็ต้องมาดูตรงนั้นด้วยนะแต่ถ้าเป็นภาพปรากฏขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้มีจินตนาการเขาเรียกว่าเป็นนิมิตทีนี้ถ้าหากว่ามันแต่นิมิตตรงนี้มันก็เคยเป็นจิตใถ้สมนึกนแต่มันมันโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเราได้เก็บมันไว้เมื่อไหร่ไม่รู้านานเมื่อไหร่ไม่รู้นะอาจจะนานมากแต่ว่ามันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อจิตมันใส เหมือนกับของที่ตกลงไปในน้ำเมื่อน้ํามันใส่แล้วก็จะเห็นอันนี้มันการที่ตกไปในก้นบึ้งหัวใจเวลาเราปฏิบัติไปได้ลงตัวฐานเนี่ยจิตมันก็จะเป็นสมาธิไอ้ตัวนั้นก็จะพอเอาขึ้นมาซึ่งการเกี่ยวข้องกับมันก็คือกาหนดรู้อาการของมันเท่านั้นเองกำรู้ภาพมันั้นโดยที่ม่ไปปรุงแต่งกับมันนะนะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพอรู้รู้ว่าสิ่งใดเกิดมันต้องดับ แต่การที่มันด <group Steph ane> no no ับช um ้าหน่อยเราอาจจะไปให้ความสําค <sagen> ัญมากมันก <team guessing>? <vai> ็จะดับช้าแต่เราไม่ให้ความสําคัญมันเลยมันก็จะดับไวขึ้นในจุดจัการปฏิบัติต่อนิมิตตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นพอรูุ๊บนก็หายไปก็ก็ทุนสิทธิปัจจุบันโดยที่ไม่ทาให้ความสําคัญแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญนั้นมันก็จะมาเกิดมาบ่อยๆแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญมันเลยมันก็ไม่มีความายแล้วมันก็ไม่เกิดอีก จะปฏิ่ัตต่อันในเรื่องอื่ัมเหมือนกันอย่ว่าแต่เรื่องของมิตม้ แ, แต่ความคิดที่มันพัลปอัพขึ้นมาโดยไ <c oughs> ม่เจตนาเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อมน่านั้นเะหมือนกันที่ไม่ไปซีสาวหรือไม่ไปเพิ่มเติมให้ความสำคัญขนะึ้นมามันก็จะดับไปหมด ก็ทั้งหมดนั่นแหละรูปเวทนาชัญญาสั้นขันถ้าพูดถึงรูปไม่นญญาชั้นขันก็คือเหมือนเขาว่าเราพูดถ้อยจิตใช่ไห ม, มเราพูดเ่อมือเห็นในมือนี้ประกอบด้วยอะไรนิ้วห้าใช่ไหมแต่เขาว่าจิตประกอบด้วยรูปเวทนาชัห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมนมีชื่อแต่ถามว่าจิตใต้สํานึกตัวเนี้ยมันอยู่ในส่วนไหนของของจิตของขันห้านี่นะคือจิตใต้สํำนึกที่เป็นความเคยชินที่เราเคยสั่งสมมาแต่อดีต นานแล้วที่เราเก็บ ม, มันไม่ใช่สังส ม, มะมันการกระทบทุกครั้งเนี่ยตามหัวจมูกรหญ่ๆทุกครั้งที่ขาดสติแต่การรับรู้จิตได้การรับรู้นนจิตได้ซับเอาไว้เรียบร้อยแล้ะมันก็ตกผลึกไปเป็นจิตได้สํานึกนะแต่เมื่อไรถ้าหากว่าเร า, เามีสติเข้มแข็งจิตได้สํานึกก็ก็ไปทําในส่วนอื่นแต่เมื่อไรขาดสติปั๊บิตได้สํานึกก็ออกมาเป็นตัวปรุงแต่งเป็นสังขาร นําทำน ำ, นำทำงานในฐานะเป็นสังขาร น, นเมื่อสติหรือขันห้าตัวนั้นประกอบด้วยอวิชชาจิแตแสสนึกเจียออกมาเป็นสังขารคือคิดเรื่อยเปลือยไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆไลไปเรื่อยๆนะอ น, นั่นเขาเรียกว่าสังขารถ้าจะมาทําหน้าที่ตรงนั้นนั่น <c oughs> แต่ถ้ามีสติมันก็กลายเป็นจิตรู้สํานึกไปถ้าขาดสติมันก็จะกลายมาเป็นตัวสังขาร เลียว่าปรุงแต่งนะตัวปรุงแต่มาจากตัวนั้นนะเข้าใจนะว่าถ้าเราทสติมเรื่อยจิตได้มันก็ไม่มีโอกาสทำหน้าที่ที่มีสที่มีัมันแปลถูกแปลงออกมาถูกคือมันทาหน้าที่เหมือนเดิมแต่มันถูกแปลงตัวออกมาเป็นตัวรู้ก็กลายเป็นตัวสติตัวปัญญาไปเพราะนั้นเหมือนกับว่าของดิบตัวของสุกนะ ผลไม้ที่มันดิบมันจะเปรี้ยวจะหืนจะฝืนจะเฟียนใช่ไหมแต่พอมันสุกเนี่ยรดเปรี้ยวรดหืนฝืนเฟีย น, น, นแล้วนะั้นมันหายไปไหนมันกลายเป็นรสหวานใช่ไหมแต่ผลไม้ลูกเดียวกันแต่เมื่อมันถูกแปลสภาพขึ้นมามันสุก ข, ขึ้นมาก็กลายเปลี่ยนตัวไปอย่างไปคือในกรณีของอการปรุงอาหารนี่ย ในการที่เรายังไม่ได้ปลูงมันก็เป็นสดเป็นข้าวเป็นขืนพอผ่านไฟมันกลับเป็นหอมเชื่อในชิ้นเดียวกันแต่ผ่านกระบวนการเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนั้นเขาเรียกว่าความเพียรเนี่ยถ้าจิตค่ายสํานึกมันผ่านความเพียรมันก็จะออกมาเป็นสติเป็นปัญญาเป็นจิตรู้สํานึกแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้มีสตินะแต่เราใช้สมาธิแบบวิชาสมาธิเข้าไปกดคุม คิดไดสมบูรณ์ตัวนั้นก็จะกลายเป็นตัวพลังแห่งโหหห์ไรขึ้นเรื่อยๆและถูกกดไม่ให้ออกมาทำหน้าที่ของมัน้วคนอื่นมีขาอสงสัยยัาางวันนี้ปฏิบัติมาทั้งวันมีข้อสงสัยหรือว่าอาจารย์พเดชทั้งเคียให้นะว OK, ให้แล้วนะเราปฏิบัติเราฟังอาจารย์วนเราปฏิบัติก็คือเรา รู้ในการเคลื่อนไหวของดวเราในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงอาจารย์อย่างนี้นั่นคือพอเรารับรู้เสียงอาจารย์นี่ยเราก็ไม่ได้มาสนใจของการเคลื่อนหไหวเช่นันอี่นความจริงแล้วเนี่ยประสาทรับรู้ในตัวของเราสามารถรับทีเดียวใน้หกทางนะตาหูจมูกลิ้นกายใจใน้หกทางทีเดียวทีนี้ถ้าหากว่าเรากําลังพูดคุยสนทนานเนี่ยนี่คือทางที่หนึ่งแล้ว แล้วก็ทางที่สองกายมือที่ยกอยู่อันนี้เป็นทางที่สองเพราะฉะนั้นเรารวมจากหกทางเนี่ยมันโฟกัสเหลือสองทางมันเพื่อยังชัดอยู่แต่ในกรณีที่ว่า <c oughs> บางคนบอกว่าัง <c oughs> อีสีไม่เข้มแข็งพอในขอขอตั้งใจฝ <c oughs> ังอย่างเดียวโดวยที่ไม่ต้องยกมือเนี่ยฉะนั้นแสดงเขารู้ว่าอ่าอีสีของเขาเนี่ยไม่สามารถจะรับได้สองทางในเวลาเดียวกัน เดี๋ยวว่าแต่๋หกทางสองทางเขาก็ไม่ชัดแล้วนั่นหมายความว่าประสาทรับรูเ้เขาเขาค่างต่ําเพราะนั้นเขาขอโฟ ก, กันเหลือทางเดียวแต่ในกรณี้ที่ว่าประสานรับรู้ของเรามีพลังแม้แต่สองทางเล้วมชัดเจนอยู่แต่ถ้ารวมเป็นพลังให้มันเหลือช่องเดียวเนี่ยบางทีมันก็ตั้งใจเกินไปมันก็จะทําให้เราเข้าไปอินกับเรื่องที่กําลังฟังเนี่ยลึกเกินไปแต่พอมีตัวการสร้างจังหวะหรือตัวเคลื่อนไหวคอยทวงดุนอยู่ มันก็สามารถเข้าไปสู่ในจุดกลางกอดีได้ว่าตั้งใจ